มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจะตุทธวั์นิพานสุภาวะชาณณปัญหาที่สิบ ว่าคนที่ยังไม่ได้นิพพานรู้หรือไม่ว่าพระนิพพานเป็นสุขราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผูดจำเริญด้วยปรีชายานคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้พระนิพพานรู้หรือว่าพระนิพพานเป็นสุขพระนาคเสนถวายพระพรว่า มหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารคนที่มีตัณหาอุปาธานี้ถึงยังไม่ได้พระนิพพานก็เอาเถิดที่มีปรีชาประเสริฐก็รู้ว่าพระนิพพานนี้เป็นเอกันตะบรมสุขหาทุกข์ไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสซักไซว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายาน คนทั้งหลายที่ยังไม่ได้พระนิพพานนี้จะรู้ว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างไรพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายที่เกิดมามีเท้าและมือเป็นปกติไม่ต้องตัดตีนสินมือรู้หรือไม่ว่าคนที่ต้องตัดตีนสินมือนี้เป็นทุกข์ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่าคนทั้งหลายที่ยังไม่ต้องตัดหัตถาบาทาก็รู้ว่าคนที่ต้องตัดหัตถาบาทานี้เป็นทุก์เจ็บปวดศีนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษศจึงซักถามว่าเหตุชไหนเล่าจึงรู้ณนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การแก้ว่า คนทั้งหลายที่มีหัตถาบาทาเป็นปกติอยู่นั้นเห็นคนเป็นโทษที่สมเด็จบรมกรรษัตริย์ทรงพระกรธลงราชอาญาให้ตัดหัตถาบาทาเสนั้นปริเทวันตานงร้องให้ร่ำไรครางครวนไปคนทั้งหลายได้ยินได้เห็นเขาจึงรู้ว่าตัดหัตถาบาธานี้เป็นทุกอย่างนี้นี่แหละพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษถวายพระพรว่าฉันใดเล่าขอถวายพระพรบ่พิทพระราชสมภารเจ้าผู้เป็นมหิศราธิบดีคนทั้งหลายที่เป็นโลกียังไม่ได้พระนิพพานครั้นทัศนาการเห็นที่ท่านได้พระนิพพานได้ฟังว่าพระนิพพานที่ท่านได้นั้นเป็นสุขดูท่านก็หาทุกข์ไม่ได้ก็เข้าใจว่าเป็นแสนสบาย มีครุบนาดุดคนทั้งหลายอันเห็นคนที่ต้องตัดหัตถาบาทาปริเทวนาการร้องให้ร้องครางไปได้ยินกับหูจึงรู้ว่าคนที่ต้องตัดหัตถบาตนี้เป็นทุกข์เหรือที่จะเวทนาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้านี้ ช่างอุปมาสมควรนักหนาในการบัดนี้นิพพานะสุภาวะชาณนนะปัญหาที่สิบจบเท่านี้จบจตุทวัก